วันเวลาที่มุนเวียนเดินผ่านมาเราเดินผ่านไปทุกชีวิตต้องลิมรสชาติแห่งความสูญเสียและจากไปสายลมที่มันพัดปริวหอบเอาความชจำเอาไว้สิ่งที่พลดพลาดจากหัวใจ สูญเสียชีวิตแค่ไหนทดแทนไม่ได้หรอกเธอเหมือนมีแทงลงึกในใจยอมจะปวดทุกทุกสิ่งน้ำตาแห่งกานจากลาคงฟื้นไม่ไหวใช่ไหมเธอจากกันคราวนี้ความรักที่มีคงไม่รู บางคนมองรางไร้ค่าผลลัพก็เป็นอย่างนี้คนที่ช้ำก็ช้ำบางตายมีใครจะรู้และเข้าใจสายลมที่มันพัดพริ้วหอบเอาความช้ำเอาไว้สิ่งที่พลัดพรากจากหัวใจโอ้ซุนียชี ทดแทนไม่ได้รักเธอเหมือนมีแทงลงในใจยอมจะพวดทุกๆสิ่งน้ำตาแห่งการจากลาคงฝืนไม่ไว้ใช่ไหมเธอจากกันคราวนี้ความรักที่มีคงไม่เหมือนเดิ เสียชีวิตแค่ไหนทดแทนไม่ได้รอบเธอเหมือนมีแทงลงในใจยอมจะปวดทุกๆสิ่งน้ำตาแห่งการจากลาคงฟืนไม่ไหวใช่ไหม <S <S <S <S เธอจากกันคราวนี้ความรักที่มีคงไม่เหมือนเดิ คราวนี้ความรักที่มีคงไม่เหมือนเดิมรักครันน้งนี้ชีวิตที่เหลือคงไม่เหมือนเดิม